บันี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนัยแห่งกิตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกดูจิตของตนที่ทรงแสดงไว้เป็นคู่คู่าเมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตเรามีราคะ จิตไม่มีราคะก็รู้ว่าขณะนี้จิตเราไม่มีราคะเมื่อจิตมีโทสะก็รู้ว่าขณะนี้จิตเรามีโทสะเมื่อจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าขณะนี้จิตเราไม่มีโทสะซึ่งได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นเป็นการบ่งให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปได้เร็วมาก สิ่งซึ่งบาลีใช้กับมเจตสิอกอาจจะเป็นกุศลอกุศลหรือเป็นกลางกลางก็ตามซึ่งเกิดขึ้นโดยสาเหตุทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกขึ้นมาปรุงแต่งจิตสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่จิตนั้นมีมากหรือเกินและจากความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บางครั้งบางคราวาก็กําหนดระลึกไม่ทัน ว่ามีอะไรบังเกิดขึ้นมีอะไรผ่านไปการกำหนดระลึกในชันนี้อุปการะธรรมที่สำคัญดังเคยกล่าวอยู่เสมอคือสติสัมมาชัญญาและความเพียร น, นั้นจะต้องเป็นไปในขณะที่รวดเร็วทันกันจึงสามารถรู้เท่าทันจิตที่เกิดดับในแต่ละขณะได้ในช่วงต่อไปสรงสอนว่าเมื่อจิตมีโทสักก็รู้ว่า เมื่อจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตเรามีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าขณะนี้จิตเราปราศจากโมหะโมหะนั้นแปลกระโดยทั่วไปว่าความหลงที่จริงเป็นพื้นฐานหลักของจิตคือเป็นอาการของอวิชชาที่เด่นชัดอาการที่ปรากฏแก่จิตของบุคคลนั้นจะออกมาในสองแนวด้วยกัน แนวหนึ่งคือเป็นความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในเรื่องนั้นๆแนวที่สองจะออกมาในรูปของการฟุง้งซ่านสัดสายไปของจิตใจปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาการเช่นนี้ตามปกติแล้วท่านบอกว่ามีอุเบกขาคือความเฉยแห่งจิตเตียสายปัจจัยมากระตุน้นปัจจัยภายนอกมากระตุ้นบงัง ไม่มีปัจจัยประตุน้างก็ก่อให้เกิดเป็นโมหะขึ้นมาได้ทั้งสองทางด้วยกันลักษณะของโมหะมีรูปร่างหน้าตาที่ปรากฏแก่จิตของบุคคลซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยปัญญาสอดส่องโดยไม่มีการทะนุถนอมตัวเองและเข้าข้างตัวเองมากเกินไปจึงจะมองเห็นชัด ถึงสภาพจิตที่ถูกปรงแต่งด้วยโมหะท่านแสดงลักษณะอาการของโมหะจากชั้นหยาบที่สุดไปจนถึงชั้นที่ละเอียดที่สุดโดยเริ่มต้นมาจากความไม่รู้ถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับปับจักรกุศลหรือไม่รู้เรื่องกฎของกรรมที่เป็นภาษาซึ่งพูดกันโดยทั่วไปว่าเป็นคนไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้ผิดรู้ถูก หรือไม่มีเหตุไม่มีผลลักษณะของใครก็ตามที่แสดงอาการให้ปรากฏเช่นนั้นหมายความว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้บกพร่องในด้านการใช้เหตุผลสติปัญญาและความดีต่างๆไม่สามารถจำแนกแย ก, กแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรในสิ่งที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องข้รานี้พึงสังเกตว่า บางครั้งก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับป่วยของเด็กเหล่านั้นที่แกไม่อาจจะแยกได้อย่างการที่เด็กไม่สามารถจําแนกได้ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้นี่ก็เป็นอาการของโมหะคือในชีวิตของบุคคลเวลาประพฤติกระทำอะไรลงไปก็แยกไม่ออกว่าสิ่งนั้นดีหรือชั่วเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เป็นบาปหรือเป็นบุญเป็นคุณหรือเป็นโทษนี่ก็ชื่อว่าเป็นอาการของโมหะทั้งหมด เพราะท่านจะมองถึงหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงมุ่งพัฒนาจิตใจของบุคคลให้ก้าวขึ้นไปสู่จุดของความเป็นมนุษย์ <c oughs> ก็เพื่อขจัดโมหะระดับหนึ่งให้บุคคลเข้าถึงธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครอ ง, องชีวิตจิตใจสามารถแสวงหาความสุขตามที่เขาต้องการได้ ก็โดยความหมายทางรูปศัพท์ในทางพระพุทธศาสนานั้นคำว่ามนุษย์ซึ่งเป็นชื่อเรียกนั้นแสดงถึงพัฒนาการในด้านกายด้านวัจจาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านจิตใจของบุคคลส่วนคำว่าบุคคลหรือบุตรคนในสมัยโบราณที่ท่านเรียกกันนั้นเปรตสัตว์โลกสัตว์ใดเคี้ยวกินของซึ่งไม่สะอาดเหตุนั้นสัตว์นั้นชื่อว่าบุคคลคนบุคคลก็คือสัตว์โลกชนิดหนึ่ง ที่เขากินของซึ่งไม่สะอาดข้อนี้เมื่อเรามองในเชิงพฤติกรรมจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารูปวิเคราะห์ที่ท่านกําหนดเอาไว้นั้นมีความถูกต้องสมบูรณ์ในตัวของมันเองพระธรรมกษัตริย์โลกเหล่าใดก็ตามที่ยังไม่โมหะพุ่มคอจิตใจเอาไว้การประพฤติกระทําการดํารงชีพของบุคคลผู้นั้นก็จะไม่ยุติด้วยเหตุผลและความดี พุบบทธศาสานาจึงพยายามพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้อยู่ในจุดของมนุษย์ความหมายของคำว่ามนุษย์ก็คือมณะอุศยะที่แปลว่ามีใจสูงสัตว์ใดมีใจสูงเพตยนั้นสัตว์นั้นชื่อว่ามนุษย์นั้นคือรูปวิเคราะห์ของคําว่ามนุษย์สัตว์ใดสามารถจําแนกได้ว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์สัตว์นั้นชื่อว่ามนุษย์ สภาพของจิตที่สูงขึ้นและสภาพของจิตที่สามารถจำแนกแยกแยะได้จึงเป็นมาตรฐานเครื่องกำหนดความเป็นมนุษย์ของบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ซึ่งทางนั้นทันี้ก็ต้องอาศัยการขัจัดโมหะในระดับหนึ่งให้เบาบางลงไปอย่างน้อยก็อยู่ในชั้นของการสามารถคุ้มครองตัวเองได้ ใช้เหตุผลในการดำรงชีวิตได้และปรับมาตรฐาน <c oughs> ความประเฤติการปฏิบัติของตนให้อยู่ในหลักของกุศลกรรมบทดังที่เคยกล่าวมาแล้วโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือหลักสมาธิิเป็นเครื่องคุ้มครองใจในชั้นหนึ่งในชั้นต่อไปนั้น้ะแสดงว่าความไม่รู้ ซึ่งรูปธรรมและนามธรรมนี่ก็เป็นชั้นที่ละเอียดขึ้นมาซึ่งหมายความว่าในแง่ของการประพฤติปฏิบัติชั้นหนึ่งนั้นพระพุทธศาสนาสรุปโลกทั้งมวลเอาไว้หรือสรรพสิ่งทั้งมวลในโลกเอาไว้เพียงสองฝ่ายเท่านั้นเองคือเป็นรูปธรรมกับนามธรรมที่เราใช้เป็นภาษาธรรมวารูปนามหรือนามรูป มีบุคคลเป็นนั้นมากที่ไม่รู้จักตัวนามรูปลักษณะอาการของนามรูปและเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เกี่ยวกับนามรูปสแสวงหาข่อยพาต่อสู้ประหัรประหารกันเพราะนามรูปเป็นเหตุเพราะนามรูปเป็นปัจจัยตอนนี้เพราะไปยึดมั่นถือมั่นในนามรูปเหล่านั้นมีการข่อยพาสแสวงหากันโดยไม่คํานึงนึกถึง ความถูกต้องทางศีลธรรมหรือว่าไม่ถูกต้องทางศีลธรรมในชั้นที่ประนีตขึ้นมาก็คือการไม่สามารถจะแนกได้ว่าขันท่านั้นเป็นอะไรที่ไปยึดถือเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรานั้นแท้จริงแล้วก็คือนามรูปเราเองก็คือนามรูปนอกจากเราก็คือนามรูปโลกต้องวนสรุปลงที่นามรูปเนื่องจากโลกทั้งมวลเป็นโลกแห่งสัมผัส สิ่งที่เป็นรูปก็คือสิ่งที่คนเรียนรู้ทางประสา 5, ทท่าข้างตน้นคือเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยตินถูกต้องด้วยกายส่วนที่เป็นนามนั้นก็คือสิ่งที่เรารู้ได้ใจข้อนี้ยกตัวอย่างเช่นเกลื อ, อนั้นเป็นรูปการรู้รสของเกลือก็เป็นรูป รู้ว่าเกลือเค็มก็เป็นรูปเป็น ต, ตัวความรู้นั้นเป็นนามรู้ว่าเค็มนั้นเป็นนามแต่ความเค็มนั้นเป็นรูปซึ่งแท้จริงตัวความเค็มเองเราก็ไม่เห็นรูปร่างหน้าตามันแต่เนื่องจากเป็นการสัมผัสด้วยชีบหาประสาทคือประสาทลิ้นอาการเค็มนั้นจึงเป็นรูปแต่ความรู้ว่าเค็มเป็นนาประการที่ซึ้งขึ้นไปกว่านั้น คือการไม่รู้ปัจจัยแห่งรูปนามนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดลงไปแท้จริงแล้วก็เป็นอาการระดับวิปัสนากรรมปันแต่ถ้าเรามองดูในแง่ของธรรมชาติธรรมดาแล้วสิ่งทั้งหลายนั้นประกอบขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยแต่ปัญหาว่าคนจะคิดหรือไม่เท่านั้นเช่นโความเป็นน้ำพริกสักถ้วยหนึ่งความเป็นแกงสักอย่างหนึ่งผัดสักอย่างหนึ่ง ที่กำหน ด, ดหมายกันว่าชื่อนั้นสิ่งนั้นชื่อนั้นสิ่งนั้นชื่อนั้นที่จริงเป็นการเกาะกลุ่มของนามรูปและสิ่งเหล่านั้นก็คือปัจจัยคือเครื่องปรุงเช่นน้าพริกมีเครื่องปรุงกี่อย่างจึงจะเรียกว่าน้าพริกมีเครื่องปรุงหลักกับเครื่องปรุงประกอบเวลาท่านเรียกท่านเรียกว่าเหตุปัจจัยหมายความว่าตัวเหตุนั้นขาดไม่ได้แต่ตัวปัจจัยนั้นขาดได้ แต่อย่าขาดได้มากเกินไปตัวเหตุหลักแล้วถ้าขาดไปสิ่งนั้นก็ดำรงอยู่ไม่ได้เวลาท่านพูดท่านพูดรวมกันไปเลยว่าเหตุปัจจัยเหตุคือตัวหลักปัจจัยคือตัวย่อยที่เข้ามาประกอบเช่นวันในชีวิตคนคนหนึ่งนั้นอวิชชาตันหากรรมอาหารถือว่าเป็นเหตุ ส่วนวิทาลัคนกายผมขนเป็นต้นนั้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยมืออาจจะขาดไปแขนอาจจะขาดไปสักแขนเท้าอาจะผ่ากายไปสขาสองขาก็ตา่าแต่ถ้าตัวเหตุก็ยังอยู่บิณ ญ, ญาณไม่ดับไปอายุยังอยู่ไออุ่นหังอยู่อวิชาตาัหากรรมอาหารก็ยังอยู่ชีวิตของบุคคลก็ยังอยู่นั่นคือลักษณะของเหตุปัจจัย แต่ถ้ามองย้อนไปกลับถึงสับประสิ่งก็จะเห็นว่าแท้จริงแล้วมีทั้งเหตุทั้งปัจจัยปัญหาว่าบุคคลจะรู้ในงแง่ของเหตุปัจจัยหรือไม่ถ้าไม่รู้เหตุปัจจัยหรือไม่รู้ปัจจัยของนามรูปจากตัวอย่างที่ว่ามาแล้วเช่นจะทําน้ําพริกแต่ไม่รู้ปัจจัยหรือเหตุปัจจัยของน้ําพริกมันก็ทําไม่ได้หรือการจะถอดจะก่อสร้างสิ่งอะไรก็ตามก็สิ่งที่ก็สร้างมาแล้วหรือสิ่งที่เราจะสร้างขึ้น ถ้าเราไม่รู้เหตุปัจจัยของมันเราก็สร้างสิ่งเหล่านั้น ไ, ได้ดังนั้นในแง่ของชีวิตในแง่ของความเป็นจริงแล้วบุคคลเกี่ยวข้องอยู่กับนามรูปและปัจจัยของนามรูปมาตลอดแต่ไม่ได้มองในแง่ที่กระจัดโมหะเป็นการมองในแง่ที่เสริมสร้างโมหะก่อให้เกิดการไขว่ความปรารถนาะสิ่งเหล่านั้นในชั้นหนึ่งบางครั้งบางคราวก็อาจจะถึงยุแย่งกัน อาการเหล่านี้เป็นลักษณะเดียวกับเด็กที่ยื้อแย่งตุ๊กตายือย่งของเล่นกันแต่พอโมหะแกบอบลงสติปัญญาแกมากขึ้นแกโตขึ้นแกก็กกเลิกแย่งตุ๊กตากันเพราะแกรู้ว่าตุ๊กตานั้นเป็นเพียงของเล่นเท่านั้นไม่ใช่ของจริงเป็นของสมมติกำหนดหมายกันขึ้นมาความรู้นามรูปรูปปัจจัยของนามรูปก็มีลักษณะเช่นนั้น คือจะขจัดการอาการยื้อแย่งการต่อสู้การปราดปรานอย่างน้อยที่สุดในชั้นของการผิดจริยธรรมและผิดกฎหมายแต่ถ้าไม่รู้เหตุไม่ไม่รู้ปัจจัยของนานมารูปในชั้นหนึ่งคือชั้นหยาบๆ ก, การประพฤติการกระทําในทางทุจริตก็ย่อมจะเกิดขึ้นกร น, นี่ถ้าเรามองกันในแง่ที่ให้ชัดเจนให้ลองสังเกตว่า ต้อยคำสามคำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้ให้คิดอยู่บ่อยๆเอวังธรรมโมเอวังพาวีเอวังอนัจจิโตทุกอย่างมันจะอยู่ในกระบวนการนั่นหมดเลยเช่นว่าคนดื่มสุราทำให้เสียทรัพย์ทอนกำมังปัญญาก็การทะเลาะวิวาทกระทำสิ่งที่ไม่ละอายที่ว่าไม่รักบุตรปัญญาทอดทิ้งบุตรปัญญาเป็นต้นมันเป็นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้น สภาวะมันเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้คนที่ดื่มสุราสมัยก่อนพุทธกาลเป็นอย่างไรสมัยพุทธกาลเป็นอย่างไรสมัย ป, ปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นนี่คือเป็นกฎของธรรมดาเมื่อข้าอยู่ในเงื่อนไขของเหตุปัจจัยเพื่อเกิดสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นก็ต้องเกิดอย่างที่สํานวนทั้งพวกกันในปัจจุบันว่าเรื่องมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้ามองในแง่ของนามรูปเหตุ ป, ปัจจัยของนามรูปก็คือไม่เหตุ ป, ปัจจัยแกมี เ่นั้นก็ต้องเกิดขึ้นซึ่งธรรมดาจะต้องเป็นอย่างนั้นสภาวะแก่เป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็ตามการรูปปัจจัยของนามรูปทีแท้ จ, จริงนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยการจะเริญนวิปัสนากรรมฐานวาระการของโมหะในชั้นต่อไปจึงเป็นเรื่องของความไม่รู้กดความจริงแห่งพระไตรลักษณ์ ทีท่านเรียกว่าเป็นลักษณะซึ่งเสมอกันในสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครรอดพ้นกฎของใจรักไปได้พระพุทธเจ้าเองในส่วนรูปขันเป็นส่วนรูปกายของพระองค์ยังตกอยู่ในอนิจจังทุกขันคือยังมีความเปลี่ยนแปลงยังคงสภาพเดิมไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ต้องแก่เหมือนกันเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เจ็บก็ทรงเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกัน ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงชื่อว่าเป็นสามั ญ, ญลักษณ์คือลักษณะที่เสมอกันของสรรพสิ่งในโลกนี้ชีวิตทุกชีวิตสรรพสิ่งทั้งหลายถูกครอบงําด้วยกฎเหล่านี้แต่ว่าคนเป็นอันมากไม่รู้กฎเหล่านี้โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในชั้นโมหะคือความมืดบอดเป็นมืดบอดอแรงๆมากนั้น บางครั้งสิ่งเหล่านั้นแตกสลายทำลายไปตั้งนานแล้วเช่นเพียชนคนที่รักตายไปตั้งเป็นปีๆแล้วพอถึงวันตายทีก็ร้องไห้ที่คิดถึงทีหนึ่งนี่แสดงถึงการไม่ยอมเฉิญหน้าความจริงตามกฎของธรรมชาติแต่ถ้าเรียนรู้เรื่องความจริงตามพระไตรลักษณ์คือความเป็นของไม่จิงว่าสิ่งทั้งยนั้นเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เป็นธรรมดาสามัญเหลือเกินในชีวิตของเราแต่ละคนในแต่ละขณะหายใจเข้ามันก็เกิดเกิดเสร็จแล้วจะคงอยู่แล้วก็ดับไปหายใจออกก็คือเกิดแล้วคงอยู่แล้วก็ดับไปที่จริงทุกส่วนในชีวิตของบุคคล น, นั้นเป็นอาการของอนิจจตาคือความไม่เที่ยงปรากฏอยู่ทุกขณะกินเข้าเป็นเกิดอาหารคงอยู่ อาหารข้าไปอยู่ในท้องก็ชื่อว่าตั้งอยู่พอถูกย่อยไปก็ดับไปเสร็จแล้วก็หิวต่อแล้วกินใหม่ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งแล้วทุกสัตว์ส่วนของสิ่งทั้งหลายนั้นล้วนแล้วแต่เป็นตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์โมหะระดับทั่วๆไปที่ไม่รู้เรื่องของพไตรลักษณ์นั้นจะมีความสยบติดจะมีความวุ่นวายจะไม่ยอมรับถึงความจริงทั้งหลาย ไม่ยอมไปเชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงและจะเดือดร้อนกับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงแม้แต่ผมหงอกอย่างเดียวก็ต้องเดือดร้อนกับผมอุ่นวาอยู่กับผมหงอกแต่ถ้าปรับใจให้รับความจริงตามพระเสริฐหลักก็ไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องเหล่านั้นการแบกขันทั้งหลายก็จะเบาลงไปโดยลําดับอาการของประเสริฐหลักจึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณากัน มากพอสมควรแต่ทีนี้ปัญหาที่สำคัญก็คือว่าความรู้ที่ท่านหมายถึงความรู้นั้นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่รู้โดยปริยัติคือโดยการศึกษาเพราะในแง่ของการศึกษาแล้วคนเราก็พอรู้กันแต่การของโมหานั้นทาให้จิตรุ่มหลงและสงสยัยเกิดความฟุง้งซ่านจะสายไปของจิตดังกล่าวแล้ว ท่านจึงหมายเอาความรู้ในชั้นของการพิจารณาและในชั้นของการละความยุติดสมัครบุคคลชั้นหนึ่งแต่สมัครบุคคลทั่วๆไปแม้ในกฎของในชั้นของการศึกษาก็ไม่ยอมรับรู้ในเรื่องดันี้ประการต่อไปนั้นคือไม่ไม่รู้ตัวสุขที่แท้จริงจะพบว่าความสุขนั้นเอาก็จริงแล้วคนก็หาข้อยุติดไม่ได้ ว่าอย่างไรคือความสุขและอย่างไรคือความสุขที่แท้จริงการแสวงหาของบุคคลทั้งหลายจึงมีลักษณะสับสนเช่นบางครั้งบางคราวก็ถือว่าคีหิสุขคือสุขของผู้ครองเรือนอะไรคือความสุขที่แท้จริงตางคนต่างก็แสวงหาต่างคนต่างก็พยายามหาคําตอบ อาจจะคิดว่าเงินเป็นตัวความสุขที่แท้จริงบ้านใหญ่ๆรถใหญ่ๆเสื้อผ้าสวยๆเป็นต้นแล้วแต่ใครจะเข้าใจกันแต่ถ้ามองมาจากมุมสูงสุด ข, ข, ของความจริงที่เป็นสัจจะแล้วอาการเหล่านั้นเป็นเรื่องของความทุกข์ทนัันการที่บุคคล ร, รู้สึกว่าได้สุขนั้นเพียงเพียงอาการของการเกาแผลคันเท่านั้นเอง คือมันเกิดคันขึ้นมาแล้วก็เกา่าแล้วก็รู้สึกว่าหายคันใจที่เกิดใคร่เกิดปรารถนาในอารมณ์ต่างๆได้รับการตอบสนองก็เกิดความสุขสมานัดขึ้นแล้วคนรู้สึกว่าเป็นความสุขถาถามว่าพอแล้วยังก็ตอบว่ายัางไม่พอในสุดก็แสวงหาการคว่ำคว้ากันต่อไปแต่ในชั้นนี้จะพบว่า เราต้องมองได้สองระดับคือระดับสายตาของพระอริยะนั้นมองทั้งหมดเป็นทุกข์ไปหมดเลยคือสเปสังขาราทุกขาไปเลยสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ไปหมดนั้นคือความจริงที่แท้จริงแต่การจะเข้าถึงความจริงทแท้จริงในระดับนั้นได้โมหะรืออวิชาจะต้องหมดไปแล้วถ้ายังมีโมหะหรือมีอวิชชายอยู่ แม่ระดับที่เป็นพระอนาคามีก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นสุขที่แท้จริงเพราะยังไงยังไงท่านก็นยังต้องเกิดอีกอย่างน้อยหนึ่งชาติสุขที่แท้จริงก็คือสันติสุขหรือนิพพานสุขที่เป็นสุขเกิดขึ้นเพราะความดับได้ทั้งเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้พื้นเพอัตยาสายของบุคคลที่ถูกอคุ้มด้วยโมรรคเป็นอย่างดีว่า การที่จะพุ่งขึ้นไปจุดสุดยอดเช่นนั้นมีคนเป็นจานวนน้อยเท่านั้นที่จะทำได้คนส่วนมากจะอยู่ในระดับที่ลดหลั่นกันลงมาพระองค์จึงทรงแสดงเหตุของความสุขเอาไว้ในชั้นต่างๆแต่พงสังเกตว่าทุกระดับของความสุขนั้นโมหะจะต้องถูกกระจัดไปโลภะจะต้องถูกกจัดไปโทสะจะต้องถูกขจัดไปในระดับหนึ่ง เช่นทรงแสดงว่าความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขซึ่งหมายความว่าคนที่จะอยู่พร้อมเพรียงกันไม่ต้องมองจุดกว้างมองจุดแคบแคบภายในครอบครัวหรือคู่สามีภรรยานั้นแต่ละคนจะต้องลดล ะ, ล ะ, ะโลภธาโศสะโมหะลงไม่ใช่อะไรก็แสดงออกมาเต็มที่โกรธก็แสดงมาเต็มที่โลภ ก, ก็แสดงมาเต็มที่หลงก็แสดงมาเต็มที่จะหาความสุขไม่ได้พวกนี้ต้องลดลงมา หรือว่ากิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้นั้นเป็นภาพเห็นได้ชัดเจนมากเพราะถ้าศาสตร์ใดที่โลภะโทสะโมหะยังแรงอยู่จะฝึกสักกี่ปีก็สัมผัสความสุขไม่ได้หรืออย่างที่ทรงแสดงบางครั้งเช่นว่าการไม่เป็นหนี้เป็นสิลเขาเป็นความสุขในโลกนี่ก็เป็นพื้นฐานธรรมดา ซึ่งหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าโลภต้องลดลงหลงต้องลดลงบางคนต้องการสถานะต้องการแข่งความร่ำรวยกับคนอื่นไปสร้างหนี้ยืมสินกับคนอื่นแต่โมหะปิดบงังโรงปัญญาเอาไว้คือมุ่งแต่จะได้โดยไม่ได้คิดว่าเมื่อได้มาแล้วจะเอาอะไรไปใช้เขาความโลภสูงขึ้นโมหะก็สูงขึ้นตามไปในสุดก็สร้างหนี้สินก็มีแต่ความตกแต่ถ้าจะปลอจากหนี้สินได้ ก็ขอให้เกิดความสุขสรุปแล้ ว, วทุกอย่างไม่ว่าจะทรงแสดงสุขไว้ในแนบใดก็ตามพวกกิเลส ท, ทั้งสามกองนั้นจะต้องลดอยู่ในระดับนั้นถ้าไม่ลดลงมาเลยจะไม่มีใครได้ความสุขแม้ในชั้นของการคลองเรือนที่ทรงแสดงว่าสุขที่เกิดขึ้นจากการมีทรัพย์ซึ่งก็หมายความว่านั้นเป็นเพียงผลเท่านั้นแต่บุคคลจะต้องสร้างเหตุ ให้จัดความเกีดคร้านมีความเพียรพยายามมีการทำมาหากินในทางสุจริตทรัพย์จึงจะบังเกิดขึ้นซึงก็หมายความว่าตัวโมหะก็ต้องลดลงตัวโทสะก็ต้องลดลงถ้าพวกนี้ไม่ลดลงผลที่ต้องการก็เกิดขึ้นไม่ได้และความส ง, งบจากเวรจากภัยในชั้นต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นศีล ก็เป็นการแสดงเพื่อลดหมดโลภะโทสะโมหะเช่นเดียวกันดังนั้นพระธรรมเทศนาทั้งมวลที่ทรงจําแนกแสดงไว้โดยประยายหรือโดยนยิยะเป็นนั้นมา ก, กนั้นต้นจึงสรุปรวมว่าเป็นสันเหลขธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาจิตขัดเกลาจิตจากอะไรจิตมีอะไรจะต้องขัดเกลาก็ตอบได้ว่าจิตมีกิเลส ที่เป็นเหตุให้เกิดความเร่าร้อนไปด้วยประการต่างๆพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจซึ่งอาจจะขัดเกลาในจุดใดก็ตามแต่เนื่องจากพวกเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่ามันเหมือนกันน้ำเป็นเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติคือถ้าน้ำทางข้างเหนือมีมาก น้ำปลุลงฝนตกลงมามากลําธารระแหงต่างๆก็เต็มคลองก็เต็มแม่น้ําก็เต็มแม่น้ําใหญ่แม่น้ำน้อยก็เต็มมันจะเต็มตามไปหมดเลยแต่ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งเกลดลดก็จะลดตามไปด้วยกิเลสก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือถ้าเกลีดส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนอื่นจะลดตามไปแต่บางครั้งบางคราวนั้นอาจจะลดแต่ไปติดอยู่ในจุดซึ่งประนีตกว่า จะอาจจะลดโลภะในส่วนที่เป็นรู ป, ปรวัตถุที่ดินเรื่องสวนไร่นาแต่จะมาติดอยู่ในส่วนที่ละเอียดกว่านั้นก็ได้แต่เมื่อเมื่อมองในเชิงเปรียบเทียบแล้วก็เป็นอาการลดของกิเลส ข, ขอบคายก็ยังไม่ขยายกว้างออกไปเหมือนเดิมก็ทําให้เขาได้สุขในระดับหนึ่งความสุขที่แท้จริงที่พึงประสงค์นั้นจะเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับวัตถ์ แต่เนื่องจากคนไม่สามารถจะหลุดพ้นจากวัตฏะได้เป็นส่วนมากพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้ทั้งความสุขในระดับมนุษย์ทั้งความสุขในระดับเทวโลกทั้งความสุขในระดับพรหมโลกซึ่งทั้งนั้นทั้งนี้ล้วนเกิดขึ้นจากการบรรเทาประบางไปแห่งกิเลสคือโลภะโทสะโมหะในฐานะนั้นๆและจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลเข้าถึงความสุข ในระดับต่างๆอย่างที่ทรงแสดงไว้ด้านกิเลสทั้งหลายจึงเป็นประหาตระธรรมที่ทรงสอนให้บุคคลเพียนพยายามละโดยเฉพาะอย่างย่างในกรณีนี้ก็คือโมหะซึ่งจะต้องละความไม่รู้โดยประการต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วตามสมควรแก่กำลังความสามารถแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบไป